เดือนี้วันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์นะคนเท่าๆกันเหมือนกันหมดนะมาเรียนนะเรียนแล้วก็คอยสังเกตตัวเองไว้เราภาวนาหัดปฏิบัติเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี้ยเรามีพัฒนาการอะไรที่เห็นบ้างเห็นได้บ้างด้วยตัวเองถ้าภาวนาถูกต้องนะเดือนสองเดือนอะไรเท่านี้แหละเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ถ้าภาวนามาเป็นปีๆแล้วก็เหมือนเดิมทำผิดแน่แน่นอนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเห็นผลรวดเร็วพุทธเจ้าท่านเคยสอนพระอนุรุษพระอนุรุตท่านไปอยู่ที่ป่าเกิดมาเป็นกรัตรนะแล้วก็สบายที่สุดเลยอยากได้อะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในป่าไม่มีอะไรสักอย่างอดอยาก ท่านก็คิดปลอบใจตัวเองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของคนมักน้อยเป็นธรรมะสันโดษเป็นธรรมะที่ไม่คลุกคลีเป็นธรรมะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติอะไรอย่างนี้ครับพี่ธนาให้กําลังใจตัวเองจะ ไ, ได้มีแรงเดินคิดไปได้เจ็ดข้อพระพุทธเจ้ามาต่อข้อที่แปดให้บอกธรรมะของท่านเนี้ยเป็นธรรมะที่ไม่เนินชา้า ข้อที่แปดดันั้นภาวนานะถ้าเราสังเกตดูธรรมะใดเป็นไปเพื่อความมากักมากเป็นไปเพื่อความคลุกคลีวุ่นวายกับคนอื่นเป็นไปเพื่อความไม่มีศีลสมาธิปัญญาอนะไรเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราก็สังเกตตัวเองถนะ้าเราภาวนาแล้วยังยุ่งยุ่งก็ยังไม่ได้เดินอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าบอก แต่ถ้าเราเดินอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกเราก็คิดว่าเอ้ป่านนี้ทำไมไม่ได้ะลรสธิตั้งนานแล้วไม่มีพัฒนาการอันนี้ก็ต้องทบทวนเหมือนกันทำไมเนิ่นช้าธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นช้าเห็นผลเร็วหลวงพ่อพูดนี้พูดเอาแต่ได้ไหมบอ <c oughs> กต้องเห็นผลเร็วนี่ เคมีพระท่านก็ว่าโอ้ยทําไมเร็วทําไมท่านชา้าอะไรย่างเงี้ยถ้าจับหลักให้แม่นแล้วเร็วเราต่อสู้ไม่ได้สู้กับอะไรเลยนะเราสู้กับความเห็นผิดอย่างเดียวนะอย่าไปคิดสู้กับกระทั่งราคาโทสะอะไรตอนอะไรไม่ต้องไปคิดสู้มันหรอกสู้มันไม่ไหวหรอกสู้กับความเห็นผิดของเราเองก็พอละความเห็นผิดเรื่องมิจฉาทิฏฐิ หาจรู้สึกกายรู้สึกใจไปมันจะได้สมาทิทิขึ้นมาถ้ามีสมาทิทฐิชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยคือมีความเห็นถูกซะก่อนนะไอ้ที่ถูกๆอย่างอื่นมันจะตามมาเองอถ้าเริ่มต้นมีความเห็นผิดอยู่ไอ้ที่ผิดๆมันก็ตามมาอีกอะ่ะ้นต้องเรียนจนเกิดความเห็นถูกสิ่งที่เรียกว่าสมาทิฏิในทางศาสนาพุทธนะ かかก็คือการรู้รู้ทุกนะรู้เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้อริยสัจ ร, รู้รูปนามที่เป็นอดีตรูปนามที่เป็นอนาคตรูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตนี่อีกสามอันรู้ปฏิจจสมุรปรบาททุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมรู้รูปนามที่อดีตที่อนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตก็ปฏิจจสมบัติรวมแล้วแปดข้อ สมาธิจะแจ้งในแปดข้อนี้ฝั่งเรายากยากเวลาลงมือทำจริงง่ายนิดเดียวให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนะลงปัจจุบันไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นกุญแจอะไรเป็นชีของการปฏิบัติเลยถ้าเราจับแก่นได้นะการปฏิบัติไม่ยากนะถ้าจับไม่ได้นะรูปคลาไปเรื่อยคลาไปตรงโน้นคลาไปตัวนี้หาทางไปไม่เจอหรอกนะล้มลุกลุกครานอยู่งั้นแหละ งั้นถ้ามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะรู้ตามความเป็นจริงได้เราจะรู้ทุกเพราะการรู้กายรู้ใจนั่นแหละทียกว่าทุกตัวกายตัวใจนั่นแหละตัวทุกแา่ที่เราคอยรู้กายรู้ใจก็เรียกรู้ทุกถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งมันละสมูทัยอัตโนมัติเลยแล้วก็นิโรธก็แจ้งขึ้นในขณะนั้นเลยอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเห็นไหมสี่ข้อนะทําทีเดียวกันเลยอาศัยรู้ทุกนี่เอง การที่เรารู้ทุกรู้กายรู้ใจอยู่เราก็โดยรู้ว่ากายใจในปัจจุบันเนี้มีผลเชื่อมโยงมาจากกายใจในอดีตนี่เราละมิจฉาทิฏฐิได้อีกตัวหนึ่งรู้รูปนามที่เป็นอดีตแล้วเราก็รู้เลยว่ารูปนามในปัจจุบันเนี้ยจะส่งผลไปสู่รูปนามในอนาคตนี่เรียกรู้รูปนามในอนาคตเราเห็นสายสัมพันธ์สืบเนื่องกันมาไม่เคยขาดสายเลยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันหอนาคตนะนี่เรียกว่ารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตการที่เราเห็นรูปนามทํางานสัมพันธ์กันไปเรื่อยส่งทอดกันไปเรื่อยๆเราจะเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คือการทํางานของรูปนามนั่นเองตั้งแต่ว่าอาวิชามีอยู่สังขารคือความปรุงแต่งยังมีอยู่สังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ไล่ไล่ไล่มา มันจะแจ้งแจ้งปฏิจจ ա สมาธิได้ก็เพราะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเองนะรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นไหมคีย์ของมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปคลาทีละตัวนะบางคนก็เข้าใจผิดนะวันนี้จะรู้ทุกนี่ทุกอยู่ที่ไหนโอ้นั่งแล้วเมื่อยนี่เป็นทุกหรือกลุ้มใจเป็นทุกไม่รู้หรอกว่าสบายใจก็เป็นทุกเหมือนกันมองไม่เห็น นั่งอย่างสบายเลยยังไม่ทันจะเมื่อยมันก็ทุกข์แล้วนี่มองไม่เห็นหรอกไม่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์จริงหรอกถ้ารู้ทุกข์แจ้งนะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าหมดความยึดถือกายใจแล้วความอยากคือสมุทัยจะไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกคําว่าล้ะสมุทัยเนี่ยล้ะเป็นสมุดเฉดผหารคือล้ะแล้วล้ะเลยไม่ต้องมาละอีกไม่มีให้ละอีกต่อไปถ้ารู้ทุกข์แยมแจ้งนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้เกิดขึ้น นิพพานมีอยู่ตลอดเวลานิพพานไม่เคยหายไปไหนแต่เราไม่เห็นนิพพานไม่ใช่รูปธปรรมนา ม, มาทำซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะและนิพพานมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจของเราไม่คู่ควรกับ น, นิพพานใจของเราเป็นใจอันภานนะไม่ใช่จะเห็นนิพพานหรอกใจของเราแสบสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความอยากดวกไหมใจเราอยากตลอดเวลาแต่ทังอยากปฏิบัต หลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่ออยากปฏิบัติแค่คิดอยากปฏิบัตินะพระท่านตะโกนข้ามสะน้ำมาเลยบอกปลาโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหฟังแล้วซาบซึ้งถึงใจเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วอย่าพูดถึงเรื่องลงมือปฏิบัติเลยแค่อยากอยกปฏิบัติก็ผิดแล้วท่านพูดถูกไหมถูกนะถูกกับอภิธรรมเป๊ะเลยความอยากก็เป็นโลภะย เป็นกิเลสการลงมือปฏิบัติเป็นการกระทํากรรมในอภิธรรมจะสอนเลยว่ากิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรม เ, เกิดร่วมกันเฉะนั้นตราบใดที่ยังภาวนาอยู่ด้วยความอยากนะความอยากอยู่ยังเดินจงกรมนะเมื่อไหร่จะบรรลุสตีเมื่อไหร่จะบรรลุสตีสติจะไม่เกิดเลยเพราะว่าอกุศลมันเกิดครอบครองหัวใจเราอยู่ยังไแค่อยากปฏิบัตินะก็ผิดล้วอยากกาหนดก็ผิดนะก็อยากนั่นแหละ เดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้เรื่องเนี่ยอยากรู้สัมผัสทางกายอยากโน้นอยากนี่ความอยากมันหมุนติ้วๆอยู่ในใจตลอดเวลาเลยวัตตะมันก็บนอยู่ทางนี้เองนะวัตตะไม่ต้องบวนไปชาติไหนเลยวัตตะเดี๋ยวก็เกิดจิตรับรู้ขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมุนติ้วๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเราความอยากผลักดันไปจิตเขาทางานถ้าเรามีสติเรรู้ลงไปนะ ความอยากก็ดับเพราะว่าทันทีที่สติเกิดนะความอยากก็ดับความอยากเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้แต่นี้ดับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดอีกแต่ถ้าดับเพราะเห็นทุกข์ยำแจ้งนะั้นจะดับแล้วดับเลยเรียกว่าสมุทเฉดประหารไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะนั้นพระละหันเนี่ยไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องระวังรักษาจิตเลยทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเพราะว่าตัณหามันไม่เกิดแล้วมันไม่มีอะไรย้อมจิตได้ จิตเข้าถึงความสะอาดหมดจดที่ไม่มีอะไรย้อมติดเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรย้อมได้เลยเอาสีไปทาอากาศนะสีก็ไม่ติดอยู่กับอากาศทำยังไงก็ไม่ติดยันหัดรู้สึกตัวนะหัดมีสติรู้กายรู้ใจถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไป คีย์เวิร์ดจริงๆถ้าย่อๆนั่นก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านี้ถ้าไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่ถ้ารู้ด้วยสติจอมปลอมสติกำนดไม่ใช่สติตัวจริงก็ไม่ใช่ต้องมีสติตัวจริงสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองแล้ต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกายกระใจที่มีอยู่จริงก็ต้องเป็นกายกระใจในปัจจุบัน กายกระจายในอดีตไม่มีแล้วกายกระจในอนาคตก็ยังไม่มีดงั้นอย่างรูปของจริงก็รู้ลงปัจจุบันมันล็อกตัวมันเองอยู่แล้วแล้วรู้ตามความเป็นจริงอีกในยะหนึ่งนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องเป็นรูปนามในปัจจุบันที่มีอยู่จริงเนทะ่้นรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงทั้งกายทั้งใจนี่เป็นไตรลักษณ์ดงั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาจำไว้นะพวกเรา พวกเราอย่าตื้นๆถึงขนาดว่ารู้กายอะไรแล้วเป็นวิปัสนาเห็นร่างกายหายใจอยู่หน้าจ้องอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเลยหรือดูท้องฟองยุบจิตแนบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตแนบอยู่ที่เท้าขยับมือจิตแนบอยู่ในมือรู้อิริยาบถสีนะเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาการเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชฌานเป็นสมถกรรมฐานถ้าอยากทํำวิปัสนาต้องเห็นตามความเป็นจริงต้องเห็นไตรลักษ เรืวิปัสสนาจริงๆนะคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจใกากับใจก็ต้องของตัวเองด้วยไปเห็นของคนอื่นยิ่งกิเลสมากนะอย่างสมมติ ว, ว่าหนุ่มคนนี้มาเห็นคุณแต้มนี้นะนี่เห็นรูปเห็นนามอุวยมันน่ารักไปหมดเลยนะกิเลสมันมากนะหรือหันไปหันไปดูคนข้างๆเราโอ้เอ็นี่น่าเกลียดที่สุดเลยนะมันมีหนวดด้วยไม่ชอบมันอย่างเงี้ย ้ดูกายดูใจคนอื่นแล้วกิเลสเกิดให้ดูของเราเองเนี่ยวรู้สึกของเราเองอย่าไปดูอะไรที่เกินกายเกินใจออกไปอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะบอกวา่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้กายใจตัวเองดูอย่างนี้ดูทำไมดูกายใจตัวเองทาไม ดูเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์อ่ะที่มันทุกข์ได้เพราะมันมีตัวเราเราทุกข์ถ้ามันไม่มีตัวเราใครมันจะทุกข์ก็กายมันทุกข์ไปสิใจมันทุกข์ไปสิเราไม่เกีนะ่ยวเราก็พ้นทุกข์ละความพ้นทุกข์ไม่ใช่แปลว่า Man Man ร tin. ร tin. ร tin. ทุกข <relaxation. S 2> <ห emia. S 1> ์ไม่มีทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็คือขันธ์ห้าคือกายกับใจนี้ ทุกมันมีอยู่เพราะมันมีเหตุเกิดมาตั้งแต่อดีตส่งผลมาให้เรามีกายมีใจในปัจจุบันกากับใจก็ต้องทุกข์ตลอดไปถึงเป็นพระลรหันแล้วมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองกันห้านั้นมันจะเป็นตัวสุขไปไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเรารู้นะรู้จนกระทั่งจิตถอนถอดถอนออกไปเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกแล้ววันหนึ่งแจ้งขึ้นมานอกจากมันไม่ใช่เราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์ล้นล้นเลยกายนี้ทุกข์ล้นล้นจิตนี้ทุกข์ล้นลน มันเห็นอย่างนี้นะันมันถอนทิ้งเลยมันไม่เอาแล้วมันสลัดทิ้งเลยนะสลัดคืนกายให้โลกสลัดคืนใจให้โลกนะสลัดคืนเรียกว่าปฏินะิสักะชื่อทางกลุ่มของนิพานเหมือนกันกลุ่มของนิโรธเหมือนกันนะสลัดคืนไปอนารยะไม่อนารยาวร์ในรูปในนามนะอนารโยอนารยะนะวิมุตคือหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามนะนะมันถอด ถ, ถอนตัวเองออกนะ รูปนามมีอยู่ไหมมีอยู่ปรับเท่าที่เหตุยังส่งผลมาอย่างร่างกายเรานี่มีอยู่นะกรรมมันส่งผลมาให้เรามีร่างกายนี้บรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ยึดถือกายถามว่ากายยังมีอยู่ไหมกายก็ยังมีอยู่กายเป็นทุกข์ไม้มกายก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าจิตนั้นไม่เข้าไปเสพมันไม่เข้าไปยึดไปถือมันจิตเป็นอิสระจากกายจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างยิง่งเราภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีรูปมีนามนะ เรียกว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีอยู่คือมีขันห้าอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์เนี่ตอนนี้ตรงที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยเป็นนิพพานครั้งที่หนึ่งนิพพานครั้งที่หนึ่งเรียกว่าสัุปาที่เสสนิพพานนิพพานกิเลสไม่มีกิเลสย้อมใจละก็คืนขันห้าให้โลกไปแต่ขันห้ายังอยู่ถึงวันที่ดับขันใช่หไหมท่านถึงใช้คําว่าดับขันปรินิพพานนิพพานรอบเลย เนิพพานขันเพราพระพุทธเจ้าเลยนิพพานสองครั้งนะนิพพานใต้ต้นโพนะันิพพานกิเลสส่วนปรินิพพาน น, ะนั้นนิพพานใต้ต้นสาระคนะละทีกันเป็นนิพพานขันคือ ท, ทิ้งขันเลยนะขันดับขันแตกขันดับขันสลายตัวไปงั้นเราภาวนาเราอย่าไปเกลียดขันถึงเกลียดยังไงก็หนีไม่พ้น ไปที่ไหนขันมันก็ไปด้วยหนีไม่ได้เอกไปไหนก็ไปด้วยไม่ใช่ไปเกลียดมันนะแค่รู้มันไปรู้มันไปเรื่อยวันหนึ่งก็จะอยู่กับมันแต่ไม่สัมผัสกันมีความสุขจิตใจจะมีความสุขล้ว น, วนๆอะไรแาเนี้เทศยากไปไหมวันนี้มีคนเก่ ง, กงๆมาหลายคนธรรมะมันเลยากนิดหน่อยแต่สรุปง่ายๆนะทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมันเนี่ย มีสติรู้กายรู้ใจไห้วันหนึ่งจะแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี้มันก็คืออริยสัจนั่นเองรอบคลุมธรรมะทั้งหมดเลยเรื่องทุกเรื่องสมูทยัยเรื่องนิโรธคือนิพพานเรื่องมรรคคือวิธีปฏิบัติมรรคก็มีสองส่วนนะมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคยังไม่ใช่อริยมรรคอย่างที่พวกเราหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเรียกว่า จเจริญบุพพาฆามัคเบื้องต้นของมัคไม่ใช่อริยมัคนะตรงที่อริยมัคเกิดก็้นเกิดในขณะจิตเดียวนะแวบเดียวท่านะขาดสะบัน้นในกิเลสขาดแล้วขาดเลยนะอันไหนที่มัคทำลายแล้วจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วขาดเด็ดขาดเพรนเบื้องต้นนะมีสติรู้กายรู้ใจไปเงินทุกวันที่สอนก็จะสอนเรื่องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะอีกอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งเท่านี้แหละ หลวงพ่อก็จะแยกแยะไปแต่ละวันบางวันก็จะที่บายว่าสติเป็นยังไงที่บอกให้มีสติสติเป็นยังไงแล้วทำไงสติจะมีสติเป็นความระลึกได้นะไม่ได้แปลว่ากาหนดถ้าสติกำนดนั้นมันเจือด้วยโลภะไม่ใช่สติสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากทีรัสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเอง จิตที่สติเกิดเองเรียกว่าเป็นมหาคุสนจิตญาณสัมปันชุดอาสังคาริกงังอาสังคาริกังคือเกิดเองไม่ได้บังคับให้เกิดไม่ได้ชิญชวนให้เกิดเกิดได้เองเป็นกุศลที่มีกําลังแก่กล้ามากถ้ากุศลที่ต้องชวนให้เกิดนะเป็นกุศลกําลังอ่อนเช่นเราเห็นเขาเอาเงินใส่ซองทอดกรจิบกันนะโอ้เราไม่อยากใส่เลยนะวันนี้เจอไปสิบซองแล้วนะเลียดเกลียดนะเห็นอีกคนนี้มันจะเอาซองมาอยู่นั้นเกลียดมันนะ เขาก็มาชวนน่าได้บุญเยอางนั้นอย่างนี้นะก็ เ, เกิดคล้อยตามอุ้ยทำแล้วคงจะได้บุญเยอะอยคล้อยตามอย่างนี้เป็นบุญที่เกิดจากการชักชวนเป็นบุญที่มีกําลังน้อยนะบุญที่เกิดจากอัตโนมัตินะเกิดเองนะมีกําลังกล้าบาปก็เหมือนกันน้ำบาปที่เกิดเองโดยอัตโนมัตินั้นมีกําลังกล้าเกิดเพราะคนอื่นเขายั่วยุเขาชวนขึ้นมาอะไรนะี้มีกําลังอ่อน อย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเดินมานะมันไส้มันเฉยๆแนละ้วโชคมันเปรี้ยงเลยเนะี่ยจิตใจมันมีอากูศนแรงอีกคนหนึ่งเดินไปนะ้ำมันด่าเราสาวันสาคืนแล้วทนไม่ไหวโชคมันทีหนึ่งนะอากูศนเกิดเนะียอกูสนอันนี้มีกําลังอ่อนกว่างั้นสติที่แท้จริงนะเป็นสติที่เกิดเองแล้วสติต้องรู้กายรู้ใจนะจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้บางคนก็ภาวนาผิดไปรู้ความว่าง ไปรู้ความไม่มีอะไรเลยไปบังคับกายบังคับใจนะไปรู้ความว่างน่ก็คือไม่ได้รู้กายรู้ใจไปบังคับกายบังคับใจก็คือไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยคีย์เวิร์ดพวกนี้นะเราต้องแม่นนะแล้วเราจะรู้เลยว่าการทอนาอันไหนถูกอันไหนผิดใครสอนเราเราฟังไดนะ้สำนักไหนสอนเราฟังได้ทนะั้งนั้นแต่เราจะรู้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ไม่เถียงกับเขาหรอกนะ คนไหนบอกได้ก็บอกคนไหนบอกไม่ได้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ภาวนาภาวนาอยู่มันไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่หรอกนะถ้าถูกคงบรรลุมรรคผลนิพพานกันไปหมดแล้วลนะ่ะนี่มันก็มีแต่กิเลสอย่างเดิมนั่นแหละบางทีกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนะหรือภาวนาชนพิกลพิการนะขอเคล็ดหลังเคล็ดพิกลพิการเลี่ยงไปเลยนะเพราะว่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอะไรทรมานขนาด น, นั้น ท่านเดินทางสายกลางนั้นเดินด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้เดินด้วยการทรมานกายทรมานใจนั้นมีสตินะต้องรู้สติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นเราหัดดูสภาวะไปเช่นใจมันโลภขึ้นมาก็ค่อยรู้ใจมันโกรธก็ค่อยรู้ใจมันหลงก็ค่อยรู้หัดรู้ไปกายมันสุกกายมันทุกข์กายมากายมันยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปนะ จิตใจทํางานไปเป็นกุศลบ้างอ่กุศลบ้างเป็น s, สุ k บ้างเป็ น, ote, น, cis, the น i i ทุกบ้างก็คอยรู้ไปจิตวิ่งไปเกิดที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างก็คอยรู้ไปหัดรู้สภาวะไปพอจิตจําสภาวะแม่แล้วสติจะเกิดเองนี่ียว่ามีสติมีสติแล้วรู้กายรู้ใจต้องรู้วิธีรู้พอเรามีสติแล้วเนี่ยบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้ใจ เลือกไม่ได้ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจอย่างบางคนนะภาวนาไม่เป็นนะไม่รู้หลักด้วยมาบอกหลวงพ่อบอกผมจะดูกายอย่างเดียวดูกายอย่างเดียวก็เป็นสมถะสิจงใจจ้องอยู่ที่กายหรือผมจะดูจิตอย่างเดียวนี่ก็สมถะเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่สติตัวจริงเกิดนะบางทีก็ระลึกรู้กายบางทีก็ระลึกรู้เวทนาบางทีระลึกรู้กุศลอกุศลบางทีก็ระลึกรู้จิตะ แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละคราวไม่เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปะระลึกเนี่ยถ้ามันะระลึกได้ถูกต้องนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแสดงใจรักทั้งสิ้นกายก็แสดงใจรักนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรจิตใจทั้งหมดนี่แสดงใจรักทั้งหมดเลยเนีย่เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริงการรู้กายสมมุติสติะระลึกรู้กายนะรู้กายจะรู้ลงปัจจุบันนะถ้ารู้จิตเนี่ยจะตามรู้ เห็นไหมมีวิธีรู้ที่ต้องเรียนท่างนั้นเลยไม่ใช่นึกๆว่าฉันจะรู้แล้วเอละฉันจะดูจิตแล้วดูอยู่ลจิตลงปัจจุบันนะกลายเป็นเพ่งจิตกลายเป็นสมถะไปนะระวังดูจิตไปดูจิตมาก็กลายเป็นเพ่งจิตไปได้นะหรือดูกายนะก็หมดไอคิดกายของเราวันนี้กับกายของเราปีกลายไม่เหมือนกันนี่มันไม่เที่ยงปีนี้ชักจะเหี่ยวเหียวตีนกาขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่วิปัสสนา เป็นการคิดคดเอาไม่ได้รู้ลงปัจจุบันจริงๆนั้นต้องจับหลักให้แม่นๆนะรู้ลงไปกายกายเนี่ยต้องดูปัจจุบันไม่ใช่ไปดูอดีตอนาคตส่วนจิตเนี่ยดูจิตที่ผ่านไปสดๆร้อนๆนเช่นเราขับรถ อ, อยู่คนมันปาดหน้าเราปุ๊บใจมันโกรธขึ้นมาเรามีสติเห็นจิตตะกี้นี่โกรธหรือนั่งอยู่ดีๆใจลอยไปเกิดสติขึ้นระลึก ข, ขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เผลอไป จะมีคําว่าเมื่อกี้ตลอดเลยถ้าคนบางชนเขาเรียกเมื่อกี่นะแต่ถ้าจังหวัดมันก็ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี่นี่มันอย่างนี้เมื่อกี่นี่มันอย่างนี้ น, น, นะหลวงพ่อได้ยินครูบาอาพูดทีแล้วเมื่อกี่เมื่อกี่นะวัดเราแลเฉียวดีหลวงอานะี <c> ่ <oughs> ภาษาท้องถิ่นนะงั้นดูจิตตามดูนะอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพูดให้ตลบรู้สึกไหมเผลอเพลินรู้สึกไหม เ, เ, เมื่อกี้ี้เผลอใช่ไหมตอนนี้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอนี่ดูอย่างนี้นะดูจิตนะดูตามหลังอย่าดูปัจจุบันดูกายนะดูปัจจุบันอย่าดูอดีตอย่าดูอนาคตนะไม่เหมือนกันทําไม่กายดูในปัจจุบันได้เพราะรูปอายุยืนส่วนจิตนะั้นอายุสั้นจิตเนี่ยนะพอมันรู้สึกมันรับอารมณ์อันหนึ่งแล้วนะมันจะมารู้ตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองกลายเป็นอารมณ์อันที่สองไปแล้ว แลมันรู้ไม่ได้มันต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้งั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจุบันขณะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันงั้นอย่าตกใจนะบางคนมาบอกหลวงพ่อหนูดูยังไงก็ไม่รู้กิเลสเกิดก่อนทุกทีแล้วรู้ทีหลังนั่นแหะถูกแล้วกิเลสเกิดไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้ทําผิดแล้วงั้นต้องตามรู้ไปเรื่อยๆนั่นใช้คำ ว, ว่าตามรู้ ส่วนดูกายไม่ต้องตามนะดูกกลรู้ลงปัจจุบันเลยเห็นตัวที่กําลังเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนี่มันไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นเป็นท่อนๆ อ, อะไรเนี่ถ้าจะรู้สึกถึงธาตุดินก็รู้สึกด้วยร่างกายสัมผัสเนาะถ้ารู้ความเคลื่อนไหวของมันนี่รู้ด้วยใจเป็นวินยัตี่รูปรู้ด้วยใจเจนเป็นท่อนๆ น, น, นี่เป็นตัวธาตุสี่เป็นมหาภูตา ร, รูปเป็นธาตุดินรู้ด้วยกายธาตุาน้ํารู้ด้วยใจนะธาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยกาย มีเครื่องมือรู้ไม่เหมือนกันหรอกเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาทั้งนั้นแหละะแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราลงมือปฏิบัติค่อยๆเจริญสติค่อยๆรูปรูปคลําลไปวันหนึ่งเขาเข้าใจสิ่งที่เข้าใจขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคืออรพิธรรมทั้งหมดเลยอรพิธรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าอรพิธรรมนั่นแหละสอนให้เราเห็นเลยว่าไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปธรรมนามธรรมเรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเราก็เห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา แม้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวชน่าตรงกันเป๊ะเลยนะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคนละองนะไม่ใช่ปริยัติพวกหนึ่งปฏิบัติพวกหนึ่งแล้วก็ต้องตีกันไปเรื่อยๆที่จริงแลมันเสริมกันตลอดเลยนะมันเสริมกันเป็นเกลื่อนหนุนกันหมดเลยถ้าเข้าใจนะนี่จุดอ่อนของผู้เรียนปริยัติก็คือไม่รู้สภาวะงั้นไปอธิบายให้คนซึ่งเขาเห็นสภาวะให้รู้เรื่องเนี่ยมันฟังมันไม่รู้เรื่องเพราะพูดด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์วงเล็บธรรมดา นะต้องใส่ไปเลยนะก็ภาษามนุษย์แหละแต่มนุษย์เกินธรรมดามนุษย์ที่เรียนมากนะส่วนพวกปฏิบัตินะก็ไม่รู้ภาษาภนะาวนาเหมือนบัวเหมือนก๋วยไม่รู้ภาษานะทําทําไปดุยดยไปหลุดไปบ้างนะตกเหวตกร่องไปบ้างส่วนมากตกข้างทางเพราะไม่รู้หลักนะนั้นถ้าคนไหนมีทั้งปริยัตปฏิบัตินะแม่นเปรียยเลย หลวงพ่อสงสัยมากเลยอภิธรรมเขาพูดอะไรนะหลวงพ่อก็เลยไปเรียนอภิธรรมจริงฟังมาตั้งแต่เด็กนะแต่มันฟังกระท่อนกระแท่นไม่ติดต่อแต่ก่อตอนเด็กๆนี่ฟังของอาจารย์แนบของอาจารย์แนบของอาจารย์สุจินฟังฟังภาษาเด็กนะี่ยนะมันไม่ปฏิบติตระตอมันไม่ปิ้งมาปิ้งอภิธรรมขึ้นตรงไหนหนู้ไหมตรงที่ไปอ่านเจอนึงราคะโทสะโมหานี่แหละตัวอภิธรรม นี่เป็นอภิธรรมอันหนึ่งเป็นปรามัตธรรมอันนึงพอพอเข้าใจคําว่าปรามัตธรรมนะปิ๊งเลยโอ้ง่ายนิดเดียวเลยอภิธรรมนะถ้ารู้จักปรามัตธรรมเราง่ายนิดเดียวเพราะอภิธรรมเป็นเรื่องปรามัตธรรมทั้งหมดเลยเรื่องจิตก็เป็นปรามัตธรรมเจตสิกก็เป็นปรามัตธรรมรูปก็ปรมัตธรรมนิพานก็ปรามัตธรรมเรื่องวิถีจิตเราก็เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะเรานั่งดูจิตดูใจอยู่เราก็เห็นจิตขึ้นวิถีอยู่ตลอดวันะเว่ามันก็เหมือนกันนะ เรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาใช่ไหมเราไปศึกษาตำราเออเราก็แม่นขึ้นอีกแต่เดิมเราทําคลุกคลกันเป็นสมถะบ้างวิปัสนาบ้างมันครุกคลกันปนปนกันพอเรามาศึกษาตำราโอ้มันแยกกันได้เข้าใจละจิตมันจะพลิกไปพลิกมาเมื่อก่อนหลวงปู่ดุลบอกนั่เวลาภาวนาเนี่ยจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาแต่ไม่เข้าใจพอศึกษาอ๋ออภิธรรมบอกงี้เออมันจริงๆฮ่มันตรงกันเป๊ะเลยอย่างนี้ เพราอน้มันเสริมกันหน้าอย่าทะเลาะ ก, กันเลยเอ้าเชิญไปทานข้าวนิมนอะไรครับนิมน